วันนี้พวกเราจะมาศึกษาเรื่องชีวิตของพวกเราว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างชีวิตของเรานนี้มีองค์ประกอบอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งร่างกาย สองจิตใจร่างกายแนละจิตใจนี้มีที่มาที่ไปต่างกันที่มาของร่างกายก็คือธาตุสีดินน้ำหลุ่มไปที่มาของจิตใจก็คือธาตุรู้การเกิดขึ้นของชีวิตนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของร่างกายและการรวมตัวของธาตรู้เมื่อเวลามีการเกิดขึ้นของร่างกายก็คือเมื่อมีการผสมธาตุสี่ของบิดา และของมารดามารวมกันแล้วก็มีธาตุรู้มารวมประชุมด้วยคือต้องมีสามส่วนมีส่วนธาตุสีของบิดาหนึ่งส่วนธาตุสีของมารดาหนึ่งและธาตุรู้คือจิตใจหนึ่งเมื่อสามส่วนนี้ มารวมกันมาพบกันมาประชุมกันก็จะเกิดการปฏิสนธิเกิดการเริ่มต้นของชีวิตขึ้นมาในคันของมารดาพอได้มีการเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็จะมีการเจริญเติบโต ของธาตุสี่ที่จะกลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาตามลำดับจะปรากฏมีผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจดับพังผืดตาปอด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 ที่จะค่อยๆเจริญเติบโตทีละเล็กทีละน้อยในคันของมารดาใช้เวลาประมาณ9เดือนก็จะเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะคลอดออกมาจากคันของมารดาพอคลอดออกมาแล้วก็จะมีการเติม่าสี โดยการหายใจเป็นการเติมลมด้วยการดื่มน้ำต่างๆเป็นการเติมธาตุน้ำด้วยการรับประทานของอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นส่วนแข็งเช่นข้าวผักอะไรต่างๆส่วนธาตุไฟนี้ก็จะเกิดจากการผสม ของธาตุน้ํากับธาตุดินคืออาหารเมื่ออาหารได้ปลาตัวเข้าไปในร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาภายในร่างกายความร้อนนี้ก็คือธาตุไฟนี่คือการเท่าของธาตุสี่เพื่อที่จะมาเสริมอาการ32 ให้เจริญเติบโตขึ้นไปอีกจากทารกที่คลอดใหม่จนถึงเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วหลังจากนั้นการเจริญเติบโตก็จะยุติลงต่อจากนั้นก็จะเป็นการเสื่อมของอาการสามสิบสอง ไปตามลำดับจนถึงจุดสุดท้ายของการเสื่อมร่างกายก็จะหยุดทำงานพอร่างกายหยุดทำงานถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเช่นเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าไม่ได้มีการชาพนากิจไม่มีการเผาไม่มีการฝังร่างกายก็จะขึ้นอือด น, น้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกจากร่างกายเนียว่าธาตุน้ำก็ไหลออกจากแยกออกมาธาตุลมก็แยกออกมาเล้เหยออกมาเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาธาตุไฟก็จางหายไปร่างกายที่เคยอุ่นก็กลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบ ทิ้งไปนานๆข้าน้ำก็จะไหลออกไปหมดและ่อยออกไปหม ด, หออหมดร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุกลายเป็นดินไปนี่คือส่วนประกอบเครื่องหนึ่งของชีวิตของพวกเราคือร่างกายเป็นส่วนประกอบที่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามอีกส่วนหนึ่งที่มามีส่วนร่วมกับชีวิตที่ทำให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตขึ้นมาได้ก็คือธาตุรู้ในธาตุรู้นี้ก็คือ ที่เราเรียกว่าจิตใจนี้ก็มาจากจิตใจของผู้ที่ได้ตายไปแล้วจากร่างกายอันเก่าอันเก่าอันก่อนพอร่างกายเก่าตายไปธาตุรู้คือจิตใจนี้ก็จะถูกกดแห่งกรรมเป็นผู้ดึงไปให้ไป ไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยูย่พอผลบุญผลบาปนี้มีได้ใช้ไปหมดแล้วก็จะกลับมาหาร่างกายใหม่พอได้มาพบกับร่างกายที่กำลังก่อตัวขึ้นคือ บการการรวมตัวของธาตุสีของพ่อและของแม่มารวมตัวกันธาตุรู้ก็มาร่วมด้วยก็มาครอบคองธาตุสีอันนี้แล้วพอคอดออกมาจากท้องแม่ธาตุรู้ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในธาตุรู้นี้ก็จะทำงาน แตเร่มมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราความรู้สึกสุขทุกข์ผ่านทางร่างกายก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ของเราอันนี้เป็นเรื่องของส่วนของธาตุรู้คือของจิตใจ ตัวร่างกายเองนี้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวของร่างกายเองร่างกายไม่รู้ว่าเขามีอาการ32ไม่รู้ว่าเขาทำมาจากดินน้ำลมถ่ไม่รู้ว่าเขามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ผู้ที่รู้ก็คือธาตุรู้ธาตุรู้นี้ก็มีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนด้วยกัน ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ <c oughs> การรู้สึกก็คือเวทนาความนึกก็คือสัญญาความคิดก็คือสังขารความรับรู้ก็คือวิญญาณรับรู้อะไรก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกอินไก นี่คือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการรู้การรับรู้กับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่มีความรู้ว่าตอนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือมีความไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือจิตใจก็คือ ตัวสัญญาพอสัมผัสกับความรู้สึกอย่างนี้ก็จําได้ว่าเป็นความสุขพอสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ก็จําได้ว่าเป็นความทุกข์พอสัมผัสกับความรู้สึกอีกแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็รู้ว่าเป็นไม่สุขไม่ทุกข์พอเกิดการสัมพอเกิดการรับรู้ว่าสุข ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมากับความรู้สึกเหล่านั้นถ้าเป็นความรู้สึกสุขก็จะเกิดความยินดีเกิดความชอบเกิดความอยากให้ความสุขนี้อยู่ไปนานๆถ้าเป็นความรู้สึกทุกข์ก็จะเกิดความคิดความอยากให้ความทุกข์นี้หายไปเร็วๆ ถ้าเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะมีความคิดเฉยๆไม่ได้มีความอยากให้อยู่หรืออยากให้ปไปให้ไปนี่คือหน้าที่ของใจในความรู้สึกนึกคิดนี้มีสิ่งที่ไม่เป็นปกติคือไม่ตรงกับความจริง ก็คือตรงที่ว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในร่างกายมีตัวตนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาเกิดมีความรู้สึกนึกคิดว่ามีตัวตนมีตัวเราก็มี ความอยากที่จะให้ตัวเรานี้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆทั้งตัวเราและเรานี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาต่อจิตใจเพราะทำให้เกิดอุ ป, ปทานความยึดมั่นถือมั่น เกิดตัณหาความอยากเวลาอะไรเป็นของเราเนี่จะเราจะหวงเราจะรักเราจะอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆจะอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆจะไม่อยากให้ใครมาเอาของเราไปแต่ธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ เช่นร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของไข่มันเป็นของดินน้ำลมไฟมันเป็นของระบบระบบที่มีการเจริญและมีการเสื่อมมีการเกิดและมีการดับแต่ใจที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นความจริงอันนี้ก็จะมาทุกข์กับความ เสื่อมของระบบเวลาระบบเริ่มเข้าสู่ความเสื่อมใจก็วุ่นวายใจก็ทุกข์เพราะใจไม่อยากจะให้เสื่อมไม่อยากจะให้ของที่ตนหลงคิดว่าเป็นของตนนี้เสื่อมจากตนไปพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองพอเกิดความอยากแล้วก็เหมือนกับมีอะไรมาทิ่มแทงจิตใจความอยากนี้เป็นเหมือนหอกที่จะคอยทิ่มแทงจิตใจพอเกิดความอยากแล้วก็จะวุ่นวายใจจะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับถูก ห อ, อกทิมแทงอยู่เวลาไม่มีความอยากนี้จะไม่รู้สึกวุ่นวายใจจะอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับใจของพวกเราทุกๆคนเนื่องจากเรามีความหลงฝังลึกอยู่ภายในใจของเรา ทำให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราใจคือความรู้สึกนึกคิดนี้ก็เป็นเราเป็นตัวเราเราเป็นผู้รู้สึกเราเป็นผู้นึกเราเป็นผู้คิดแต่จากการศึกษาของพระพุทธเจ้าองค์ทรงเห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวตน ในจิตใจในร่างกายก็มีเพียงอาการสามสิบสองมาจากดินน้ำลมไฟในใจก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่มีผู้รู้สึกนึกคิดมีแต่ความรู้สึกนึกคิดนี่คือสิ่งที่แตกต่างการระหว่างผู้รู้กับผู้หลง ผู้รู้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าร่างกายก็เป็นสักแต่ว่าธาตุสี่สักแต่ว่าอาการสาสิบสองจิตใจก็สักแต่ว่ารู้สึกนึกคิดไม่มีผู้รู้สึกนึกคิดไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกาย เวลาเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราจิตก็จะไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นให้สิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราตัวเรานี่เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามความจริงของเขา อย่างที่พวกเราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราได้เช่นฝนฟ้าอากาศนี่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราฝนจะตกแดดจะออกลมจะพัดหรือไม่พัดนี่เราไม่ไปมีความอยากขเขาเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่ ง, ขงเขาไม่ได้ แต่เรากลับมองไม่เห็นว่าร่างกายของเราก็เป็นเหมือนกับผลฟ้าอากาศที่เราก็สั่งเขาไม่ได้เช่นเดียวกันสั่งให้เขาไม่แก่ไม่ได้สั่งให้เขาไม่เจ็บไม่ได้สั่งให้เขาไม่ตายไม่ได้อันนี้เราไม่รู้กันเราไม่ศึกษาเราปล่อยให้ความหลงมันเป็นผู้ ตัดดันความคิดของเราให้คิดไปในทางความอยากให้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นของเราไปนานๆเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันที่จะสูญจากเราไปแต่พอความจริงมันปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาความแก่เกิดขึ้นมาความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมา ความตายเกิดขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะจะเกิดความอยากไม่ยอมไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายขึ้นมานี่เพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนจากผู้รู้เพราะนานๆถึงจะมีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าปรากฏ มาให้โลกเป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นบรมมศาสดาเอาความจริงมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้เหมือนกับให้ลืมตาขึ้นตอนนี้เหมือนกับหลับตาไม่ยอมมองความจริงกัน ไม่ยอมองว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟพอได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังความจริงแล้วถ้าสามารถสอนใจให้เห็นความจริงได้ ใจก็จะเปลี่ยนไปจากหลงมาเป็นรู้พอรู้ว่าไม่ใช่เป็นของตนก็ไม่มีความสนใจอีกต่อไปไม่มีความผูกพันยึดมั่นถือมั่นไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจ ใจนี้กับร่างกายมีความแตกต่างกันตรงที่ร่างกายนี้มีอายุไขมีขอเขตระบบของร่างกายนี้มีเจริญและเสื่อมอยู่ในระยะประมาณร้อยปีเป็นอย่างมากหลังจากร้อยปีไปหลังจากร่างกายตายไปหยุดทำงานธาตุทั้งสี่ก็จะแยกกลับคืนสู่ธาตุเดิม ดินธาตุดินก็กลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ําก็กลับคืนสู่ธาตุน้ําธาตุลมก็กลับคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็คืนสู่ธาตุไฟร่างกายนี้ก็อันตรธานหายไปเหมือนกับการเล่นกลร่างกายนี้เหมือนกับมายากลมาจาก ศูนย์แล้วก็กลับไปสู่ศูนย์มาตอนต้นก็ไม่มีร่างกายนี้มีร่างกายนี้ก็เวลาที่มีพ่อมีแม่มาร่วมกันร่วมหลับนอนกันแล้วก็เอาธาตุของพ่อกับของแม่มารวมกันแล้วก็มีจิตใจคือธาตุรู้นี้มาครอบครองมายึดติดก็จ <c> ะ <oughs> ทำให้ปรากฏมีร่างกายขึ้นมาที่เราเล็กที่ะน้อยอยู่ในคันของแม่เก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็เจริญเติบโตเป็นรูปเป็นร่างมีหน้ามีตาแล้วก็ในที่สุดก็เสื่อมลงไปตายไปในที่สุด นี่คือระบบของร่างกายเป็นอย่างนี้ส่วนระบบของจิตใจนี้มันไม่ได้ตายเหมือนกับร่างกายใจนี้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายส่วนความรู้สึกนึกคิดนี้ก็เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เปลี่ยนแปลงไปกับเหตุการณ์ที่รับรู้ผ่านทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเวลารับรู้เหตุการณ์เช่นรู้เสียงกิ่นลดโปรดทพะก็จะเกิดเวทนาต่างๆขึ้นมารับรู้เหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาบางเหตุการณ์ก็ทุกขเวทนาขึ้นมาบางเหตุการณ์ก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมา พอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาสังขารความคิดขึ้นมาคิดไปในทางความอยากถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากจะให้เหตุการณ์นั้นอยู่ไปนานๆเช่นเวลาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็อยากจะถูกลอตเตอรี่ทุกข์ขวดเวลามีรายได้เข้ามาอยู่ เรื่อยๆก็อยากจะให้ไม่หยุดให้มีแต่รายได้เข้ามามีแต่ความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ไม่อยากให้มันลดน้อยถอยลงไปธรรมชาติของตัวนี้ที่มีความหลงนี้จะมีแต่อยากให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่อยากให้เร็วลงไปไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามที่ธรรมชาตินี้มาสัมผัสรับรูจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นสุขเวทนาก็อยากจะให้มีมากมากขึ้นไปแล้วก็อยู่ไปนานๆเป็นไปนานๆถ้าเจอทุกขเวทนาก็อยากจะให้หายไปเร็วๆอยากจะให้มันลดน้อยลงไป ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์กเวทนาก็จะเฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดดร้อนพออยู่พอเป็นพอไปได้พอถูถายกันไปได้ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่เกิดความอยากอยากให้สุขกเวทนาอยู่กับตนไปนานๆแต่ธรรมชาติของสุขกเวทนาเขาก็ไม่เที่ยง เขาก็มีเจริญนะก็มีเสื่อมเราสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแล้ว เ, เกิดความสุขใจขึ้นมาพอเรื่องราวนั้นหายไปความสุขนั้นก็จะหายไปเช่ น, นเราดื่มหรือเรารับประทานแล้วได้สัมผัสกับรสของเครื่องดื่มของอาหารที่ถูกอบถูกใจ ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเราก็อยากจะให้ความสุขอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆแต่ร่างกายไม่สามารถที่จะรับประทานจะดื่มไปได้เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาพอไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานความสุขนั้นก็จางหายไปก็อยากจะรับประทานอยากจะดื่มอีก บางทีก็ต้องบังคับร่างกายให้ดื่มให้รับประทานจนทำให้ร่างกายนี้ผิดปกติไปอันนี้ก็เกิดจากความอยากให้สุขเวทนามีอยู่นานๆแล้วแทนที่จะได้สุขเวทนานานๆก็กลับจะได้ทุกขเวทนานานๆขึ้นมาพอร่างกายมันผิดปกติแล้วทีนี้มันก็ ไปมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมามีทุกขเวทนาขึ้นมาทีนี้อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่สามารถที่จะไปสั่งให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายนี้หายไปได้ก็ต้องมาทุกขกับการฝืนความอยาก อยากจะดื่มอยากจะรับประทานเพื่อให้เกิดสุขเวทนาก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับเครื่องดื่มรับประหารได้เพราะตอนนี้ร่างกาย ก, ก็เริ่มชำรุดทุดโทรมเพราะผลที่เกิดจากการดื่มการรับประทานมากจนเกินไปนี่ก็คือความทุกข์ของสว์โลกที่ ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่การได้เสพสัมผัสกับสุขเวทนาทางร่างกายความสุขของใจความสุขที่แท้จริงของสัตว์โลกอยู่ที่ใจอยู่ที่การหยุดความอยากต่างๆพอเวลาใจ ไม่มีความอยากใจจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเวลาเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขานี้ใจจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสันติสุขความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากความไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานอะไร อันนี้เป็นความสุขที่สัตว์โลกส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงเพราะถูกความหลงหลอกให้หาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับทางร่างกายที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะตอบสนองความสุขแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ร่างกายจนชมรุดสุดสมหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่โดยธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องเสื่อมลงไปตามลำดับอยู่ดีแล้วในที่สุดก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการสร้างสุ ข, ขเวทนาสร้างความสุขให้ใจได้ สัมผัสรับรู้ได้ตอนนั้นใจก็จะมีความรู้สึกเศ้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว้าเหวี่ยป่าเปี่ยวเดียวดารู้สึกทุกทรมานใจที่ไม่มีความสุขมาให้สัมผัสรับรู้มีแต่ความไม่สุขไม่ทุกข์หรือมีแต่ความทุกข์เพราะ ตาก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหูก็ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินร่างกายก็มีอาการชํำลุดสุดซมเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นี่คือผลที่เกิดจากการจะไปรับความสุขผ่านทางร่างกายเพราะไม่รู้ว่ามีความสุขอีกทางหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องหา ผ่านทางร่างกายความสุขที่กิดจากการทำใจให้สงบอันนี้ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหลานตาสาวกมาศึกษาและค้นพบความจริงอันนี้พอค้นพบแล้วท่านก็จะเอาความจริงอันนี้มา เลยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราต่อไปพอพวกเราได้ยินได้ฟังได้รับรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเป็นเครื่องมือที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราไปได้ตลอด จะได้ความสุขก็ช่วงขณะที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความสามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆมาสร้างสุขเวทนาขึ้นมาให้เสรได้ถึงแม้บางเวลาร่างกายถึงแม้ว่าร่างกายสําหรับบางคนมีกําลังวังชามีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมที่จะหาสุขเวทนาต่างๆแต่ขาดปัดจจัยที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสที่จะทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เช่นคนที่ยากจนไม่มีเงินไม่มีทองคนที่จชีวิตปากกัดตีนถีอยู่กับการ หาเช้ากินข้ามก็จะไม่มีปัญญาที่จะหารูปเสียงกิ่นรสปุจจพแบบวิจิตพิสดารแบบละเอียดที่ทําให้เกิดสุขเวทนาเช่นไปพักอยู่ในโรงแรมห้าดาวคิดดูระหว่างพักอยู่โรงแรมห้าดาวกับพักอยู่ในห้องแถวห้องเช่าเดือนละพันสองพัน กับ น, นอนโรงแรมห้าดาวคือละห้าหมื่นดูความสุขที่จะได้รับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะแตกต่างกันไหมผู้ผู้ที่มีเงินมีทองจึงมักจะไปพักอยู่ตามโรงแรมห้าดาวกันเพราะจะได้เศษสัมผัสกับสุขเวทนาผ่านทางร่างกาย ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายได้ mm hmm. เช่นสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ mm hmm. ก็ไม่เดือดร้อนถ้าต้องนอนอยู่ในห้องเช่าเดือนละพันสองพันแต่กลับจะมีความสุขมากกว่าไปนอนอยู่ในโรงแรมห้าดาว นี่คือความแตกต่างของความสุขของใจกับความสุขของทางร่างกายพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านนอนที่ไหนท่านนอนในป่านอนในในถ้นอนตามเรือนว่างตามโคนไม้ไฟฟ้าก็ไม่มีนะ้ำปะ่าก็ไม่มีนับประสาอะไรจะไปเทียบกับโรงแรมห้าดาวได้ โรงเียมห้าดาวนี้เหมือนกับอยู่ในปราสาทราชวังมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพระมาให้ความสุขอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะดูจะฟังจะดื่มจะรับประทานจะหลับจะนอนเป็นของดีๆทั้งนั้นแต่ความสุขของระดับนั้นกับมาสู้ความสุขของใจที่สงบไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงออกจากพระราชาวังได้เพราะพระพุทธเจ้าเคยได้สัมผัสกับความสุขทางใจมาก่อนมีความสุขทางใจอยู่แล้วอยู่ในพระทัยของพระองค์จึงไม่เดือดร้อนเวลาที่ออกจากพระราชวังไปนอนกับดินกินกับทรายแต่ใจไม่ได้ไม่ได้ทุกข์เพราะใจไม่ได้มีความยินดีกับ ความสุขทางร่างกายมีความสุขกับใจที่สงบที่ต้องยังออกปฏิบัติต่อไปก็เพราะว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะปล่อยวางร่างกายได้ยังไม่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรายังมีความทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่ เวลาที่เข้าไปในสมาธิความทุกเหล่านี้จะหายไปเพราะลืมเรื่องของร่างกายไปแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายก็อดที่จะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พอคิดถึงมันก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะยังมีความหลงยึดติดคิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวของพระ อ, องค์เองอยู่ จึงต้องใช้การเจริญวิปัสสนาคือปัญญาศึกษาจนเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอรู้ว่าอะไรไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไม่หลงยึดติดไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายของคนอื่นชั้นใด ผู้ที่เห็นว่าร่างกายของตนนี้ไม่ใช่เป็นของตนก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ไปยุ่งกับร่างกายไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากนี้อยู่ภายในใจเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์เพราะปล่อยวางร่างกายมองเห็นว่าร่างกายนี้ก็เหมือนร่างกายของคนอื่น เวลาร่างกายของคนอื่นแก่เจ็บตายเราไม่เดือดร้อนร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันพอเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกับความรู้สึกที่ได้รับผ่านทางร่างกายหรือความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในใจเองก็รู้ว่ามันก็ เป็นธรรมชาติที่ควบคุมบังคับไม่ได้เช่นความสุขความรู้สึกสุขในใจอาจจะสุขที่เกิดจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายหรือความรู้สึกที่เกิดจากความมีอารมณ์ดีของใจอันนี้ก็รู้ว่ามันก็เป็นของที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปอยากไม่ได้ ถ้าไปอยากเวลามันหายไปก็จะทุกข์ขึ้นมาก็จะสอนให้ใจรับรู้เฉยๆถ้าใจมีความสุขก็รู้ว่าสุขถ้ามีความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนกับเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเวลามันลอยมาปิดบางพะอาทิ้นก็รู้สึกเมือ่อยเคร็ม แต่พอสักระยะหนึ่งมันก็หลมันก็ลอยผ่านไปความสว่างของแสงอาทิต์ก็กลับเกิมาใหม่อารมณ์ภายในจิตก็เป็นอย่างนั้นบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็สดใสผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีปัญญาก็ต้องให้รู้เฉยๆอย่าไปเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเราจะ จัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้ให้รู้เฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์กับความเศร้าหมองของใจหรือความผ่องใสของใจเศร้าหมองก็รับรู้ไปผ่องใสก็รับรู้ไปมีบัตที่มีปัญหาก็คือเวลาเกิดความผ่องใสก็เกิดตัณหาความอยากให้ผ่องใสไปเรื่อยๆพอไม่ผ่องใสก็เกิดอารมณ์บูดขึ้นมา หรือเวลาเกิดอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมาก็เกิดความอยากจะให้มันหายไปพอมไม่หายไปก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาตามมาถ้าอยากจะระงับอารมณ์ไม่ดีคือความทุกข์ใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเวทนาความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ว่าจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดี หรือผ่านมาทางอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจก็ดีก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นอนนตานั ต, ตาคือเขาเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับร่างกายที่เราไปสั่งไปห้ามไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถไปสั่งให้เวทนาเป็นศุขเวทนาเพียงอย่างเดียวมันก็ต้องสลัดผัดเปลี่ยนกันไป สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างถ้าไม่หลงไม่ไปมีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ใจนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นทุกขเวทนาเป็นคนละตัวกันตัวทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความอยากให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวจะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกในอริยสัจ ทุกนริยาสตร์นี้เกิดจากความอยากสามประการคือการมตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัที่จะผลิตสุขเวทนาเช่นอยากนอนในโรงแรมห้าดาวไม่อยากจะนอนในห้องแถวนี่อันนี้ก็เป็นความอยากถ้าไม่มีความอยากอันนี้ก็จะไม่มีความทุกนอนห้าดาวก็ได้นอนในห้องแถวก็ได้ ทุกใจก็จะไม่เกิดนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่เราสามารถระ ง, งับได้ด้วยการใ ช, ใช้ธ ร, รมะคือปัญญาใช้สติใช้สมาธิสอนใจควบคุมใจให้อยู่ในอุเบกขาให้อยู่เฉยๆอย่าไปดิ้นรน อยู่ตรงนี้อย่างนี้ดีแล้วถ้าทําใจให้เฉยได้เนี่ยวิเศษที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วไม่ต้องไปดิน้นไปหาอะไรให้เหนื่อยยากไปเปล า, ปานี่คือสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติกันก็คือต้องมาเอาเครื่องมือที่จะมาควบคุมใจสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ เพราะการปล่อยวางจะทําให้ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือปัญหาของใจที่ต้องต้องการรับการแก้ไขก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเครื่องมือที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ก็ต้องมีปัญญาก่อนจะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนจะมีสติก็ต้องมีสีลแปดองตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปให้ได้ก่อนก่อนจะมีสีลแปดได้ก็ต้องมีสีลห้าก่อนต้องรู้จักระงับยับยั้งสั่งกะระงับการกระทำที่เป็นโทษกับใจให้ได้ก่อน ก่อนที่จะมีศีนได้ก็ต้องมีฐานก่อนต้องตัดต้องละการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อหาความสุขต่างๆเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะ หมดไปเวลาที่ร่างกายเสื่อมร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้งั้นให้หยุดหาเงินเพื่อการจะเอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆแล้วเอาเงินที่เหลือที่มีเกินความจําเป็นนี้เอาไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นไปถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะมาคอยหลอกล่อให้เอาไปซื้อความสุขต่างๆ นอกจากว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องเก็บไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายที่ยังต้องเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมอยู่ก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ต้องรู้ว่าเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อปัจจัยสี่ของร่างกายเพื่อที่ร่างกายจะได้ไม่ต้องไปทางานทำการจะได้มีเวลารักษาศีลได้อย่างเต็มที่จริญสติได้ตลอดทั้งวัน มีเวลานั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญานี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราในการที่จะมาสอนใจให้หายจากความหลงให้ใจได้เห็นความจริงว่าทั้งร่างกายและจิตใจนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่ใช่เป็นของเราแต่ ความรู้สึกนี้มันมีฝังลึกอยู่ในใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลาอันยาวนานไม่มีจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ของมันมาแต่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าใจทุกดวงมีความปรารถนาที่จะอยู่ห่างไกลาจากความทุกข์ทั้งนั้นความปรารถนานี้แหละที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมา เกิดพระอาหารหันต์ขึ้นมาเพราะเมื่อมีอความปรารถนาที่จะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษาดูว่าอะไรมันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อศึกษาถึงไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะไปพบคําตอบเองพอพบคําตอบแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เพราะคนอื่นไม่ต้องไปค้นหาคําตอบให้ยากเพราะว่ามีคนพบคําตอบแล้ว เพียงแต่เอาคำตอบของคนนั้นมาใช้กับเราก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคำตอบของความทุกข์ก็คือความอยากความดับของความทุกข์ก็คือการหยุดความอยากเครื่องมายเครื่องมือที่จะใช้ให้หยุดความอยากก็คือทานศีลภาวนานี้การทำทานการรักษาศีลการภาวนาที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้กับสัตว์โลก และพระอาหารหันตสาวกทุกรูปทุกพระองค์ก็จะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นยาตัวเดียวกันที่จะรักษาโรคชนิดเดียวกันโรคของใจก็คือความทุกข์ใจที่เกิดเชื่อโรคเกิดจากเชื่อโรคก็คือตัณหาความอยากนี่และยาที่จะทำลายเชื่อโรคนี้ให้หายไปทำให้โรคภัยท่าเจตทางจิตใจหายไปก็คือทานศีลภาวนา ที่เราเรียกว่าธรรมโอสถนี่นี่แหละคือธรรมโอสถธรรมเป็นโอสถธรรมเป็นยารักษาโรคใจยาที่จะไปทําลายตัณหาความอยากคือกามรรตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจอย่างนั้นถ้าเราอยากจะหายจากโรคเราต้องขยันกินยากันอยากขี้เกียจกินยา ถ้าเกดขี้เกดกินยาโรค ก, ก็จะไม่หายไม่มีใครกินยาแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กินเองถ้ากินแล้วรับรองว่าหายกันทุกคนเพราะพระอาหานทุกลูกก็เป็นผู้ที่เป็นโรคอย่างนี้มาก่อนหายจากโรคนี้ก็เพราะว่าขยันกินยากันขยันทําทานขยันรักษาศีลขยันภาวนากันนี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเรา และปัญหาของชีวิตของโลกเราก็อยู่ตรงนี้เองปัญหาเรื่องวุ่นวายต่างๆที่มีกันอยู่ในโลกนี้ทั้งโลกนี้ไม่ว่าจะไปมุมไหนของโลกมีเหมือนกันทั้งนั้นคือความวุ่นวายใจความไม่พอใจความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้แหละถ้าไปทำตามความอยากแล้วโลกมันจะระเบิดมันไม่มันไม่ใช่มันจะสงบมันยิ่ง ความอยากยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องมีการต่อสู้การแข่งแย่งชิงดีกันมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะทวีคูณขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพวกนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจยังถือว่าพวกเรานี้เป็นพวกที่โชคดีที่ ได้เข้าใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังและสามารถรับรู้เข้าใจถึงความจริงที่ได้แสดงในวันนี้ได้ถ้าสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ก็รับรองได้ว่าจะหายจากความทุกข์ทางใจนี้อย่างแน่นอนอยู่ที่ความเพียรพยายามของแต่ละบุคคลเท่านั้น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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตุสัพเหบุเรตุสังกปาหยันโทปนาระโสยธามณีโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตาลาโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจังวุธาปจายนโนยะตาโรธรมาวะทานติอายุวโนโสุขงังพาลางแลเสียงมาพอดีเลยยังก็รู้กัน ตอนนี้ก็จะมีการถามปัญหาใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็มาหยิบไมโครโฟนไปพูดได้ไนนคนเห็นที่อยู่ข้างล่างจะได้ยินเสียงคำถามถามถามว่าทางสีพรณาที่มิรกา่ท่านูหรืากับีสมาธิปัญญาผู้ปฏิบัติก็ต่างกันตรงที่สีสมาธิปัญญานี้ไม่มีามาทม า, ญญาน ส่วนทานศีลทานศีลภาวนานี้ก็คือทานศีลภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาที่ต่างกันก็เพราะว่าผู้คนที่รับการสั่งสอนนี้ต่างกันเวลาสอนพระผู้ที่ออกบวชแล้วนี่ท่านสอนศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าผู้ออกบวชนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องทำทานอีกต่อไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ผู้ที่ยังมีทรัพสมบัติอยู่ก็ต้องสอนให้สละทรัพสมบัติไปเพราะถ้าไม่สละทรัพสมบัติก็จะไม่สามารถออกบวชได้ไม่สามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาคือศีลภาวนาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นท่านถึงต้องสอนทานเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง ทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการถอนสมอเรือเวลาเราจะออกเรือนี่ถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือมันจะวิ่งไปไม่ได้ส่วนนักบวชนี่เขาถอนสมอเรือแล้วเขาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติแล้วงั้นพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมาทําทานเพราะว่าไม่มีทานจะให้ทํา ไม่มีเงินทองที่จะให้ทานอกจากว่าหลังจากที่ได้บรรลุแล้วมีคนเอาเงินทองมาทำบุญอย่างนี้ก็เอาไปทำฐานได้แต่ไม่ได้เป็นทาเป็นกิจลจักษณะที่สำคัญเพราะว่าเป็นงานอดิเรกไปใช่แล้วไม่เหมือนกับผู้ที่ยังคองเรือนอยู่ผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม ถ้ายังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็จะไม่สามารถรักษาศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ก็จะทำได้แบบหอมปากหอมคออยู่ที่บ้านก็อาจจะนั่งสมาธิเช้าเย็นเพราะเดี๋ยวกลางวันก็ต้องทามาหากินหาเงินเพิ่มรักษาเงินพอได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆมันก็เลยจะวนเวียนอยู่ของการหาการใช้เงินทอง ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสุกระดับสูงคือระดับของความสงบของใจได้ใ น, นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำท่านจะแบ่งเป็นสองสองระดับระดับของคารวะกับของนักบวชตอนที่ทรงแสดงมากคแปดในธรรมจักนี้ท่านแสดงให้กับพระปัญจวคีที่ได้ของได้รากษาของเรือนแล้ว ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแล้วท่านก็เลยสอนให้เจริญสีนสมาธิปัญญาแต่เวลาที่ไปสอนคาวรวดยากที่อท่านก็จะสอนให้ทำทานรักษาศีนแล้วก็ภาวนาไปตามอัตภาพก่อนเพราะว่าจะให้ทำเต็มที่แบบนักป่วยงคงยังทําไม่ได้ก็ให้ทำทานเช่นตอนเช้าใส่บาตร เราก็รักษาสี่ห้าไปตอนเย็นตอนเช้ามืดอย่างนี้ก็ตื่นขึ้นมาหรือก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนานั่งทําใจให้สงบพิจารณารมสั้นๆเช่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเตรียมพื้นฐานของการปฏิบัติไว้ก่อนแล้วถ้าได้รับผลดีแล้วเห็นโทษของความแก่ความเจ็บความตายที่มันจะ ตามประชิตเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดความกระตือรือร้อนขึ้นมาก็อาจจะทําทานอย่างเต็มที่ก็คือยกสมบัติให้คนอื่นไปแล้วก็ไปบวชหรือไปอยู่แบบนัก บ, บวชไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการหาเงินใช้เงินอีกต่อไปจะยุ่งอยู่กับการควบคุมใจให้สงบให้ใจให้ฉลาด ให้ตัดตัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้นี่คือความแตกต่างของทานศีลภาวนากับศีลสมาธิ ป, ปัญญามีใครจะถามหมหมอจะถามแมมวันนี้ไ ม, มโครโฟนนะ <c oughs> ไม่ก้าถามคุณต่อถามกันแล้วกันเมื่อกี้มีใครอยากจะให้สอนวิธีเดินจงกรมเหรอ ใช่คมีผู้จะมีผู้ถามว่านะการกาาพิธีเดินจงกรมวางมืออย่างไรเลยเนี้ยคือเดินจงกรมความจริงมันก็ไม่มีคือการเดินจงกรมก็เหมือนกับการนั่งสมาธิทางร่างกายต่างกันคือเวลานั่งสมาธิก็นั่งเฉยเฉยแต่เวลาเดินจงกรมเราเคลื่อนไหวเดินเหมือนกับเราเดินไปเดินมาอย่างนี้เอง ที่ต้องเดินจงกลมก็เพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิตลอดวันนี้เราจะเมื่อยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบนี่เขาจะปฏิบัติทั้งวันที่จะนั่งสมาธิทั้งวันก็ทำให้ร่างกายปวดเมื่อยก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทางร่างกายนั่งมานานก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็เดินไปเดินมา แล้วก็ใจก็ภาวนาต่อเหมือนกับเวลานั่งสมาธิเช่นเราบริกรรมพุทโธอยู่แล้วก็บริกรรมพุทโธไปร่างกายก็เดินไปเดินมาระยะทางเดินก็สักยี่สิบก้าวก็ได้เดินไปถ้ามันสั้นเกินไปเดินกลับไปกลับมามันจะเวียนศีรษะถ้ายาวเกินไปมันก็อาจ <c oughs> อาจจะเผลอเลอะไปได้ แต่การเดินจงกงมก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อกําหนดตายตัวก็ให้เดินแบบสบายๆไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเดินแล้วมีกิริยาที่สํารวมมืออาจจะทอดไว้ข้างหน้าตักก็ได้หน้าเอวก็ไดออ้มือขวาทับมือซ้ายแล้วก็เดินเวลาเดินก็ให้มีสติอยู่กับพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือจะมีสติอยู่กับการก้าวเท้าก็ได้เช่นเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาว่าไปภายในใจเพื่อให้ใจมีอะไรเกาะไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คือการเดินจงกรมไม่ต้องเดินแบบหัดเด็กหัดเดินก้าวหนอยกหนอวางหนอ อันนี้บางทีล้มนะเพราะว่าสติเรานี่ไวพอที่จะตามซ้ายขวาได้ซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็ตามไปเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองที่ให้ภาวนานี้ก็เพื่อให้หยุดความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งส่วนใหญ่จะคิดไปในทางตันหาความอยาก พอเกิดความอยากแล้วเดินจงกรมไม่ได้ น, ะนั่งสมาธิไม่ไดนะ้ต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้าไม่คิดถึงความอยากได้มันก็จะใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายดังนั้นการเดินจงกรมก็เดินแบบนี่ทางเดินจงกรมท่านก็ถ้าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเช่นอยู่ในวัดนี่เขาก็จะทาทางอยู่ใกล้ๆกับกุฏิไว้ให้เดิน ระยะทางก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเก้าทางก็ควรจะเรียบจะได้เดินสบายถ้ามันแบบมันขึ้นขึ้นเขาลงเขานี่มันก็อาจจะเดินไม่ไม่ไม่ดีไม่สะดวกก็มีท่านี้เกี่ยวกับการเดินจงกลมบางครั้งอาจจะเดินเร็วหน่อยก็ได้ช้าหน่อยก็ได้ขึ้นอยู่กับวาละเหตุการณ์่วงนอนนี้บางทีก็เดินให้มันเร็วหน่อย ก็มันจะได้หายง่วงหรือถ้าไม่หายง่วงก็ให้เดินถอยหลังดูบ้างก็ได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังอย่าอย่าอย่าหันกลับเวลาเดินถอยหลังนี่มันจะต้องระวังหน่อยพอมีความระวังมันก็จะเกิดสติขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นอุบายของแต่ละคนที่จะต้องอคิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้อุปสรรคคือความง่วงนอนในบางเวลา ด้วยความเกียดค้าน hmm. และการเดินจงกรมนี้ก็สามารถทําได้สองระดับระดับสติก็คือเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทธโธหรือด้วยการดูการก้าวเท้าหรือถ้าเราอยู่ในขั้นของปัญญาเราก็เดินพิจารณาทำไปก็ได้พิจารณาสุภาพณ์เช่นพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายแยกแยะร่างกายออกมาให้ กายเป็นดินน้ำนมไฟไปให้เห็นว่าไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายเป็นศัก์แต่ว่าอวั ย, ยวะสักด์แต่ว่าเป็นดินน้านมไฟตัวตนนี้เป็นชื่อนี้เป็นเหมือนป้ายที่เขาแปะไว้ที่เวลาเราไปประชุมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเ้าก็เลยเขียนชื่อเราแล้วก็แปะไว้ที่หน้า อ, อกเวลาไปไปเจอคนที่ร่วมประชุมกันเ้าอยากจะรู้ชื่อเราเขากไม่ต้องถามเรา แล้วก็ดูป้ายอ่อชื่อนายกอชื่อนางขอเราก็มีชื่อเราก็มีมีตำแหน่งมีอะไรเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นภรรยาเป็นสามีอันนี้ก็เป็นเหมือนป้ายที่แปะไว้ติดไว้กับร่างกายแต่อันนี้เป็นเป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวจริงของจริงก็คืออาการสาสิบสอง ผมก่อนไ็บฟันอาการสามสิบสองหรือบินน้มนมไฟอันนี้คือตัวจริงของจริงแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออนิจจังคือไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอนัตตาคือไปห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการพิจารณาทางปัญญา จะใช้ได้ในการเดินเวลาเดินจงกรมนี้จะใช้การพิจารณาปัญญาสอนใจไปเรื่อยๆนี้ขึ้นอยู่กับขั้นของธรรมที่เราปฏิบัติถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสตินี่จะไม่มีกำลังที่จะดึงใจมาพิจารณาทางธรรมได้เพราะใจมันจะแวะไปคิดถึงขนมนมเนยกาแฟเครื่องดื่มอะไรต่างๆอยู่เรื่อยมันจะไม่คิดถึงเรื่องอาการสาสิบสอง ไม่คิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟมันไม่อยากคิดมันไม่ชอบคิดมันจะชอบคิดแต่วันนี้คืนนี้ละครจะมีอะไรเรื่องของอะไรมาพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรจะไปกินเลื้องที่ไหนงานแต่งงานของใครมาถึงหรือยังมันก็จะมัวคิดแต่เรื่องที่จะไปทางตันหาความอยากต่าง ฉันคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีกาลังที่จะดึงใจมาคิดทางปัญญาได้แต่ถ้าคิดได้ก็คิดไปเลยไม่ห้ามถ้าไปทางปัญญาได้มันก็ดีมันก็จะทําให้สําเร็จเร็วขึ้นจะสําเร็จช้าสําเร็จเร็วก็อยู่ที่ปัญญาเป็นหลัแต่จะมีปัญญาได้ไม่มีปัญญาก็ได้ก็อยู่ที่สติและสมาธิเป็นหลัก ดัง น, นั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้จักฐานะของตนว่าตอนนี้ตนควรจ ะ, จะเจริญอะไรตนกําลังขาดอะไรขาดสติก็ควรจเจริญสติก่อนเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็จเจริญปัญญาต่อได้นี่คือเรื่องของการเดินจงกรมนเดินได้สองแบบเดิน เพื่อให้เกิดสติเกิดส ม, มาธิคือความสงบเดินเดินเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายอ่ามีคําถามเลยว่ามาว่าถามที่ได้การบอกว่าก่อนจะก่อนจมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนมีสติก็ต้องมีสี่แปก่อนมีสี่แปดก็้มีสี่ห้านี่ สิแนี่คือทำเป็นข้อรักษารวบรวบไปถึงห้าด้วยใช่ ม, มันมันเป็นของอันเดียวกันเยังเพลงแต่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อไงจากห้าเป็นแปดข้อตอนต้นเรารักษาแปดข้อไม่ไหวก็ต้องเอาห้าข้อก่อนถ้าห้าข้อไม่ไหวก็เอาสี่ข้อก่อนไม่ไหวก็เอาข้อหนึ่งก่อนก็ได้ใช่ไหมมัน เหมือนกับยกของหนักนะครับตอนต้นการยกแค่5กิโลก่อนแล้วก็เพิ่มเป็น6กิโล7กิโลพอมันมีกําลังมากขึ้นมันก็จะยกได้มากขึ้นไปเองการรักษาสีงานเหมือนกันถ้าไม่เคยรักษาเลยเนีย่จะยากถ้าจะรักษาทีห้าข้อเลยก็เลือกเอาข้อไหนที่มันง่ายที่เรารักษาได้ก็รักษาข้อนั้นไปก่อนพอรักษาได้แล้วเรารู้สึกว่าดีมีกําลัง ก็ลองรักษาสองข้อสามข้อหรือบางคนก็รักษาห้าข้อแต่รักษาได้เพียงวันเดียวเช่นวันพระอย่างนี้วันอื่นก็ไม่รักษาเราก็ต้องขยายวันเพิ่มขึ้นจากหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันไปกรทั่งมันเป็นครบเจ็ดวันไปเลยพอรักษาครบได้เจ็ดวันแล้วก็มารักษาสินแปดในวันพระเพิ่มขึ้นแทนที่จะรักษาสินห้าในวันพระเราก็รักษาศินแปดไป เพราะมันยากขึ้นสินแปมันยากกว่าสินห้าเพราะมันมีข้อจำกัดมากขึ้นเช่นสินข้อสามก็ต้องเปลี่ยนจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครกับใครเลยอันนี้แล้วก็เคยดูถ้ารักษาสินห้ายังดูละครดูหนังฟังเพลงได้อยู่ออกไปกินเลี้ยงอะไรได้อยู่ถ้าถือสินแก็ไปไม่ได้แล้วมันก็จะยากขึ้นไป ฉนั้นก็ต้องต้องค่อยๆทำไปตามกําลังของเราก่อนแล้วไปค่อยๆเพิ่มไปให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นไปจนกระทั่งได้ครบเต็มที่เพราะว่าถ้ามันไม่มีของเหล่านี้มันจะขึ้นไปขั้นหนึงก็ลำบากถ้าไม่ถือศีลแปดมันจะไม่มีเวลาที่จะมาปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะต้องติดงานเลี้ยงต้องไปสังคมงคนนั้นคนนี้ แต่อยู่ร่วมกันจะควบคุมสติให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็ทําไม่ได้แต่ถ้าถือศีลแปดนี่ก็ตัดคนไปบุตแล้วไม่สังคมกับใครไม่สังสารกับใครก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีเวลาที่จ ะ, จะเจริญสติได้ควบคุมความคิดได้พอมีสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นฐานที่สนับสนุนกันไปเป็นขั้นขั้น เหมือนกับการเรียนหนังสือที่เราต้องเริ่มจากขั้นอนุบาลเปก่อนจากอนุบาลเราก็ขึ้นขั้นปฐมขั้นมัธยมไปจนถึงขั้นอุนดมศึกษาแล้วเราก็ได้รับปริญญาตรีโทเอกกันตามลำดับต่อไปอถ้ามาครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาตอวิชชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณเจริญนะครับคำว่าจิตลงหมายความว่าอย่างไร จิตลงนะจิตจิตลงครับจิตลงก็จิตรวมนี่ยนะก็เคยจิตสงบจิตลงรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคักระตาลมสักแต่ว่ารู้เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งกําหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็ไม่แวกไปหาอารมณ์อื่นเช่นบริกรรมพุทโธก็บริกรรมยะต่พุทโธเพียงเดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่เอกขักระตาลม คือสักแต่ว่ารู้เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าสมาธิข้อที่สองนะครับปฏิบัติสมาธิได้อย่างน้อยขั้นใดคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิซึ่งจะถือว่าจิตลงจิตลงก็ต้องอัปปนาสมาธิเลือกคณิกะสมาธิคัิกะกับอัปปนาเนี่ก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ระยะเวลาที่รวมอยู่ถ้าคณิกะนี้ลงเพื่อชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเดียวเหมือนนอกกระจาะ ก, กินน้ําอันนี้สําหรับเวลาปฏิบัติใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้เจ็ดจะลงไปวุบหนึ่งแล้วบางทีก็ตกใจถอนออกมาเองเพราะว่ามันรวมนี่มันเหมือนกับตกลุมตกบอ่อตกเขลคนนี้ไม่เคยก็ถ้ามีความกลัวอยู่มันก็จะตกใจเพราะตกใจสติก็จะหายไป พอสติหายไปจิตมันก็จะถอนออกมาแต่ถ้ารู้วันนี้เกิดเรื่องของจิตรวมพอครั้งต่อไปก็ควบคุมสติไว้รวมก็รู้ว่ามันรวมมันจะวูบมันจะตกเข็มลงไปก็ปล่อยมันตกลงไปแล้วพอมันลงไปแล้วมันก็นิ่งสงบก็ถ้ามีสติคลองใจยอยู่มันก็จะมันก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานอย่นี้ก็เรียกว่าอัปปนาอันนี้กากาปนาก็คือการรวมของจิตนะ ส่วนอุปจาระนี้ท่านว่าเป็นการรวมของจิตแต่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับความว่างถอยออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆคำว่าเรื่องราวต่างๆก็คือเรื่องราวทางจิตทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องราวทางร่างกายคือจิตรวมลงไปแล้วไม่อยู่ในอัปปนาไม่อยู่ในอยู่ในอุเบกขาไม่อยู่ในความว่าง ถอนออกมาหน่อยแล้วมารับรู้กับนิมิตต่างๆอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเช่นมารับรู้เทวุตเทวดาหรือดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเขารอติดต่อกับเราเขาก็จะติดต่อกับเราตอนนั้นเหมือนกับเราเปิดมือถือไว้ถ้าอยากจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้ในเวลาถ้าเราเข้าไปในอัปปนานี่ เหมือนกันเราปิดมือถือไม่รับไม่รับสายไม่โทรออกไม่รับสายเข้าแต่ถ้าเราอยากจะโทรออกรับสายเข้าเราก็ถอนออกมาหน่อยเขาเรียกถอยออกมาหน่อยถอยออกมาจากอุปจาระออก อ, อกมาออกมาจากอัปปนาแล้วก็จะเข้าสู่อุปจาระอุปจาระเนี่ยเป็นที่เกิดของอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรต่างๆตาทิพหูทิพ<ม>อะไรอย่างนี้ เกิดอยู่ในระดับนี้แต่ที่ทางปฏิบัติไม่ค่อยจะให้เข้าไปตรงอุปจาระนี้ก็เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับการบําเพ็ญเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะว่าเวลาอยู่ในอุปจาระสมาธินี้กิเลสมันทํางานได้อยู่เวลาได้สัมผัสกับนิมิตที่สวยงามก็เกิดความสุขเกิดความอยากเกิดตัณหาขึ้นมา เวลาอผอนผานกันนิมิต ท, ที่น่ากลัวน่าเกลียดก็จะเกิดความเกลียดความกลัวขึ้นมามันทําให้ใจไม่เป็นอุเบกขาไม่มีอุเบกขาเวลาไม่มีอุเบกขาก็จะไม่มีกําลังที่จะดึงใจมาพิจารณาสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวได้เช่นพิจ า, ารณาซากศพนพวเราถ้าต้องการเห็นความจริงของร่างกายก็ต้องเห็นซากศพของร่างกายเห็นว่าเวลาร่างกายตายไปเป็นอย่างไร ร่างกายแก่เป็นอย่างไรอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรมันต้องใช้จิตที่มีอุเบกขาถึงจะมองได้ไม่เชื่อลองไปดูคนที่เขาผ่าเวลาเขาพาไปดูห้องผ่าศพดูเลยคนบางคนเห็นแล้วเกือบจะเป็นลมกันนะอาเจียนกันก็มีแถงจิตมีปฏิกิริยาต่อภาพที่เห็นอย่างรุนแรง ดังนั้นถ้าไปอยู่ในอุปจารสมาธิจะไม่มีอุเบกขาเวลาออกมาก็เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับว่าไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แทนที่จะไปเที่ยวด้วยทางร่างกายก็ไปเที่ยวด้วยทางจิตวิญญาณเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเที่ยวเหมือนกันไปดูรูปทิพเสียงทิพแทนที่จะไปดูรูปหยาบเสียงหยาบก็ไปดูรูปทิพเสียงทิพเท่านั้นเองนั้นเป็นการนั่งสมาธิที่ไม่ไม่ ไม่ไม่เอื้อต่อการเจริญปัญญาเพราะจะไม่สามารถที่จะพิจารณาทำได้ไม่สามารถพิจารณาความเสื่อมความดับของสภาวะธรรมต่างๆได้เพราะจิตจะต่อต้านกิเลสตัณหาจะไม่ยอมให้พิจารณาแต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้กิเลสตัณหาจะถูกกดเอาไว้จะถูกตัดกำลังพอออกจากสมาธินี้มากิเลสตัณหาจะไม่มีกำลังที่จะมาต่อต้าน เวลาเราจะพิจารณาสุภวิจารณาความตายอย่างนี้จะพิจารณาได้อย่างเฉยๆเป็นกลางใจเป็นกลางแต่มันก็มีขีดของมันเหมือนกันอุเบกขาที่ออกมาจากสมาธินี่มันก็จะจางหายไปได้เหมือนกันเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้พอเอามาจากตู้เย็นความเย็นของน้ํามันก็จะค่อยๆจางหายไป การออกจากสมาธิปนาสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาก็จะเจริญเจริญได้ในระดับหนึ่งพอถึงขีดหนึ่งแล้วกิเลสเริ่มมีกำลังพื้นขึ้นมามันก็จะเริ่มมาต่อต้านไม่ทำให้ไม่อยากพิจารณาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามสิ่งที่มีแต่ความสิ่งที่เกี่ยวกับความเสื่อมความตายนี่มันจะไม่ชอบพิจารณาตอนนั้นก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปทาใจให้สงบเป็น อุเบกขาต่อเข้าไปในอัปปนาต่อถ้าเรามีนิสัยที่จะออกไปรับรู้อันนี้เป็นเรื่องของนิสยนัยนะบางคนพอเข้าไปอัปปนาแล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ออกไปไหนบางคนเข้าไปแล้วก็ได้งออกมาเลยเข้าไปแล้วก็ออกไปทางอุปาจารเรื่องเลยถ้าออกไปอุปาจารแล้วก็ต้องภาวนาต่อก็ต้องใช้สติดึงใจให้กลับมาใช้สติให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับองค์ภาวนา เพื่อที่จะไม่ให้ใจไปตามรู้ เ, เรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้นิมิตต่างๆอันนี้ต้องพยายามฝืนต้องบังคับถ้าเรามีมีวาสนาในทางนี้เป็นวาสนาที่เป็นทั้งคุณทั้งโทษจะเป็นโทษในระยะตอนที่เราปฏิบัติเริ่มแรกเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญปัญญาแต่จะเป็นคุณหลังจากที่เราได้ปัญญาแล้ว เพราะเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราสามารถใช้อุปจาระสมาธิคือการมีตาทิพผูทิพนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่จะไม่ใช้ไปเป็นใช้ไปเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาเพราะมีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาพอไปเห็นอะไรเห็นเร่เห็นหวยก็มาประกาศบอกคนนั้นบอกคนนี้พอคนอื่นไปซื้อไปถูกเข้าเขาก็เอาเงินนอทองมาแบ่งมาให้เรา แล้วก็ไปโฆษณาค น, คนนู้นคนนี้ก็มาหาเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเราก็ไม่มีเวลานั่งสมาธิเพราะต่อไปก็เสื่อมแล้วสิที่มองไม่เห็นลสิเพราะมันมีราบเยอะกิเลสมันเยอะทนี้ก็จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็จะไม่สนใจนั่งสมาธิที่เวลาบอกหวยทีนี้ก็ไม่ตรงไม่แม่นนะเดี๋ยว mm hmm. <laughs> ต่อไปคนก็ไม่มาอันนี้ก็จะไม่ไม่มีวันที่จะไปทางปัญญาได้ ว่าจะกลายเป็นเครื่องมือของติเลธไปดั น, น, นเบื้องต้นถ้ายังไม่มีปัญญายังไม่บรรลุอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องของอุปจารสมาธิถึงแม้ว่าจะมีมีความสามารถที่จะออกไปรับรู้ก็ต้องสงวนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอามาใช้มันตอนที่บรรลุแล้วบรรลุแล้วเทนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วนี่ท่านก็มีอุปจา ละสมาธิท่านจะพบกับดวงวิญญาณของคนตายเรื่อยๆของคนตายของสัตว์ตายเวลาเข้ามาปรับทุกท่านก็จะสอนธรรมะให้เขาไปทําให้เขาหูตาสว่างสอนสอนกายทิพย์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าหลวงปูม่มั่นนี่ท่านสอนพวกกายทิพย์ได้กายทิพย์ก็ก็เป็นเหมือนพวกเราที่ตายไปแล้วไม่มีร่างกาย เราได้ทำบุญมาเราก็เลยได้เป็นกายที่เป็นเทพไปแต่เราก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะเรายังอยากให้มันมีแต่ความสุขอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันมีความทุกข์ใจก็มาปรับได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเหมือนเศรษฐีเศรษฐีก็ยังมีความทุกข์ได้ใช่ไมเพราะไม่ได้ดังใจทุกอย่างเงินไม่ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ การเป็นเทศก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขตลอดเวลามันก็มีเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่ทุกข์ไม่ไม่สบายใจได้เหมือนกันอันนี้พอมาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์นี่คือผู้ที่มีอุปจรารสมาธิส่วนใหญ่ท่านจะใช้ในการแสดงธรรมให้แก่กายทิศอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมให้แก่เทวดาหลวงปู่มั่นก็แสดงให้พวกเทวดา นี่คือเรื่องของสมาธิสามชนิดคณิกากะอัปนานี่เป็นแบบเดียวกันต่างตรงที่สั้นหรือยาว อ, อุปจาระนี่สงบแล้วไม่นิ่งไม่ว่างไปรับรู้เรื่องราวต่างๆคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณไม่ผสมจะออกน้ำนะครับกับผมทางานในวัดแห่งหนึ่งเมื่อเราเห็นเรารับรู้กรณียักยอดเงินวัด แต่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เสียกับเขาแต่เราเห็นเขาทำ บ, บ่อยๆเราจะติดกรรมบาปไปด้วยไหมถ้าเราไม่บอกเขาไม่เตือนเขาแต่เมื่อเห็นเขาทำ บ, บ่อยๆผมและท่านอื่นๆก็ลาบากใจและการยักยอกเงินวัดเป็นกรรมหนักแค่ไหนและต้องรับผลของกรรมเช่ไนไรบาปมันก็บาปเหมือนกันนะแม้ว่าจะทำกับวัดหรือทากับใคร ถ้าทำบาปแล้วมันก็ต้องรับผลของบาปไปอยาคนที่ไม่ทําก็ไม่ไม่ได้รับผลด้วยเช่นเรารับรู้เห็นเขาทํานู่นทํานี่อยู่เราเดินไปเห็นโจรป้นธนาคารนี้เราไม่ได้ทําอะไรนี้เราบาปหรือเปล่าใช่ไหมมันเรื่องของโจรเขาไปปนธนาคารเขาก็เขาก็รับผลบาปของเขาไปเองคําถามข้อต่อไปจากคุณภูริตะนะครับ ถ้าสวดมนต์ทุกขณะจิตที่นึกได้พยายามดึงจิตที่คิดฟุ้งซ่านให้กับการสวดมนต์ลตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนแต่ไม่ได้นั่งสมาธิควรสวดบทไหนดีติส ต, ต, ต, ติโสคถาเงินล้านพุทโธนึกได้บทไหนก็สวดบทนั้นอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกจากโลกนี้ก็บทที่เราจำได้บทที่เราสวดได้แล้วก็ ชอบอย่างนี้มันก็จะทำให้เราสวดได้นานก็อสำคัญก็คือเวลาสวดย่าให้มีความคิดแทรกเข้ามาต้องเกาะติดอยู่กับสวดอย่างเดียวถ้ามีความคิดเข้ามาจะต้องสวดให้เร็วขึ้นก็ได้หรือสวดให้ช้าลงก็ได้อันนี้แล้วแต่กรณีว่ามันจะแก้ปัญหาได้บางคนสวดเร็วมันแทรกเข้ามาไม่ได้ก็สวดเร็ว บางคนสวดช้าๆเอาทีละคาทีละคาไปแล้วมันไม่แทรกเข้ามาก็เอาอย่างนั้นก็ได้ข้อสําคัญก็คือการสวดนี้ก็เพื่อนงนับความคิดต่างๆอย่าคิดไปสวดไปพร้อมกันเหมือนคนสองคนคุยกันอย่างนี้อย่างนี้ใจจะไม่เป็นหนึ่งเราต้องการให้ใจเป็นหนึ่งใจจะต้องอยู่กับเรื่องเดียวข้อสําคัญก็คือต้องสวดนานๆมันถึงจะ เหนื่อยถึงจะหยุดคิดได้พอมันหยุดคิดแล้วมันก็จะสงบเองคําถามข้อต่อไปคุณปรับภาวีนะครับทดิฉนันสังเกตว่าบางคนจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเช่นได้ทะเบียนรถสวยได้เบอร์เบอร์โทรศัพท์สวยจะได้รับบริการที่ดีเช่นได้หมอที่เก่งที่สุดได้เครื่องมือที่ดีเลิศแต่บางคนจะได้แค่สิ่งที่ปานกลางถึงแย่ แม้ว่าจะพยายามจ่ายเงินเพิ่มจะต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่แค่ปานกลางถึงแย่ก็ทำบุญให้มากๆก็แล้วกันทำบุญทุกรูปแบบมีรูปแบบไหนทามันหมดก็แล้วกันใครมาขอให้ทำลงก็ทำใครมาขอให้ทำโบสก็ทำใครมาขอให้ทำอะไรก็ทำมันไปทุกรูปแบบถ้าแทงหวยก็แทงมันทุกเบอร์มันต้องถูกทกเบอร์หนึ่ง คำถามข้อต่อไปจากคุณนภัสนะครับมีความเข้าใจว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นการรับกรรมในช่วงท้ายๆโดยเฉพาะสุนัขหรือแมวที่มีคนเลี้ยงดูอย่างดีแสดงว่าพวกสัตว์เหล่านี้เริ่มได้รับผลบุญของตัวเองแล้วทําให้มีคนเลี้ยงดูอย่างดีสัตว์เหล่านี้เมื่อตายไปจะเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมแน่นอนอาจสูงกว่ามนุษย์ก็ได้ จึงได้มีคำสอนว่าอย่าประมาทหรือดูถูกว่าเป็นสัตว์อยากกลับเรียนถามว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่คือเหตุที่ทำให้คนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีคนมาทำนุบำรุงดูแลก็เพราะว่าตอนที่เป็นมนุษย์นี้ชอบทำแต่บุญแต่ไม่ชอบรักษาศีลบุญนี้จะเป็นตัวที่จะทาให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพ ต่างๆถ้าเราทำบุญแต่เราไม่รักษาศีลศีลมันจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้แล้เวลาเราทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลเวลาตายไปก็ไปเกิดเป็นหมาสวยๆเป็นนกสวยๆเป็นแมวสวยๆแล้วคนก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเป็นลูกเลยบางคนไม่มีลูกก็เอาเอาหมามาเป็นลูกแทน อุ้มมันอยู่ทั้งวันเนี่ยไปไหนก็อุ้มนอนในห้องแอร์นอนในเตียงกันเดียวกันอันนี้นสแสดงว่าเนี่ยชาติก่อนทําบุญเยอะแต่ไม่รักษาศีลถ้าทําบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็จะไปเป็นเทพก่อนพอจากเทพลงมาก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีเนี่ยอย่างที่บอกคนที่เมื่อกี้ถามว่าทําไมได้เลขได้ทะเบียนดีดีโทรศัพท์ดีดีดดเนี่ยก็เพราะทําทั้งบุญรักษาทําทั้งบุญรักษาทั้งศีลด้วย คำถามข้อต่อไปจากคุณจิตตานะครับการทำสมาธิโดยวิธีทำสวนปลูกต้นไม้หรือทำงานบ้านได้จิตที่สงบจับอยู่กับการทำงานแบบนี้เรียกว่าทำสมาธิหรือเปล่าก็เป็นการเจริญสติก็จะได้ความสงบในระดับแรกๆระดับต้นๆ ถ้าอยากจะให้ได้ลึกกว่านั้นมากกว่านั้นก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆมันก็จะลงเข้าไปลึกกว่านั้นการทำงานทำการและมีสติอยู่กลางงานนี่มันก็จะทำให้ใจสงบในระดับหนึ่งว่างในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เต็มที่ ถ้าอยากจะให้เต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วหลับตาเพื่อจะได้ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทวารทั้งห้าแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ลึกเข้าไปเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณออนปริยานะครับเป็นคำถามที่เพื่อนฝากถามมาครับข้อที่หนึ่งผมเป็นคนรักษาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเป็นปกติมาตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยทำแท้งมาก่อนอยากทราบว่ากรรมที่เขาเคยทำแท้งจะมีผลใดต่อเด็กที่จะเกิดมาหรือไม่เนื่องจากเคยได้ยินฟังมาว่าเด็กที่จะเกิดมาเป็นลูกของใครได้ต้องมีบุญเสมอกับพ่อแม่ในระดับหนึ่งหรือท่านอาจารย์จะแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอย่าแต่งงานสิไปแต่งทาไม ต่ไปมีลูกมันก็จบนะเรื่องของกรรมนี่มันลึกรับซับซ้อนจะให้มาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นอาจินไตนะนดังนั้นก็เหมือนกับแทงลอตเตอรี่มันมันมีอะไรหลายอย่างจะถูกไม่ถูกนี่มันพูดยากดังนั้นการที่เราจะไปกาหนดวิบากกรรมนี่มันยาก เป็นแต่ขอให้เรารู้แบบรวมๆ ว, ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำดีไม่ทำชั่วก็จะไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วถ้าไม่แต่งงานก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะได้ลูกน้ารักหรือน่าเกลียดข้อที่สองนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทำแท้งมาก่อนมีวิธีใดที่จะลดทอนหรือแก้ไขกรรมน้นได้บ้าง ก็ทําบุญให้มากๆขึ้นเวลาเกิดวิบากมันจะได้เหมือนกับตกลงมาจากตึกสูงแล้วมีเบาะรองรับมันก็จะไม่เจ็บมากถ้าไม่ทําบุญเลยตกลงมาจากตึกสูงมันก็กระแทกกับพื้นมันก็จะเจ็บมากแต่การที่จะไม่ให้วิบากเกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้เพราะเหมือนกับเรากระโดด อ, ออกจากตึกมาแล้วเนี่ยจะไม่ให้มันตกไม่ได้เมื่อกระโดดออกจากตึกแล้วมีทางเดียวว่าคือถ้ามีร่มชูชีพก็กลางมัน ถ้าไม่มีก็ต้องหาเบาะมารองไว้เยอะๆหนามันจะได้ไม่เจ็บนะก็คือการทำบุญนี่แหละอย่างองคุลิมาเนี่ยแม้่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมาบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีเบาะหนาเปิกเล ย, เยทีนี้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาจะเกิดวิบากที่เกิดจากการไปทำผู้อื่นเขาเช่นชาบ้านเจอก็เอาก้อนหินเคว่งใส่อะไรน้ท่านก็ไม่ทุกข์ใจอะไร นั้นมีทางเดียวก็คือหยุดทำบาปแล้วก็ทำบุญให้เยอะๆแล้วเวลาตายไปนี่บางทีบาปตามไม่ทันเพราะบุญมีมากกว่าบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์แทนที่จะไปอบายเวลาตายไปนี่ดวงวิญญาณเราจะถูกบุญกับบาปมาแย่งกันฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางอบาย บุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางสุขคติไปทางสวรรค์ถ้าบุญแรงมากก็ไปถึงพานิพานเลยถ้าถึงพานิพานก็หลุดพ้นจากกรรมทุกทั้งหมดเลยได้รับอภัยโทษอย่างถาวรเลยจะทำบาปทำกรรมมาร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่มีโทษเช่นองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนี้ได้รับอภัยโทษ พอได้เป็นพระอรหันต์เพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วคําถามข้อต่อไปจากเผจคณะศิทธิพราหมณ์สุชาตินะครับจากคุณเก๋นะครับหลักสําคัญของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่สติไม่อยู่กับปัจจุบันเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วคนที่ผ่านข้อนี้ไม่ได้ผลที่จะเกิดคืออะไรเกิดจากใจลอยไงถ้าเป็นเรือก็ไม่มีสมอเรือไม่ไม่ทอดสมอไว้ เรือมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำฉัในใดใจก็เหมือนกันในใจนี้ก็มีกระแสกระแสของความคิดนี้เองมันก็จะไหลไปกับตามกระแสของความคิดถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับคนที่ดื่มสุราแล้วเมาอย่าเงี้ยก็จะทำอะไรแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องจะทำอะไรไปตามอารมณ์ซึ่งอารมณ์เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ยับยั้งไม่ได้ เช่นอยากจะไปทำบาปก็จะยับยั้งไม่ได้ที่ท่านให้ถือสีนข้อห้านี้ก็เพื่อว่าจะได้ให้มีสติเพราะถ้ามีสติแล้วเวลาคิดที่จะไปทำอะไรไม่ดีก็จะยับยั้งได้แต่ถ้าไม่มีสตินี้พอคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยเพราะไม่มีสติที่จะมาหยุดความการกระทาการพูดนี้เอง คำถามที่เหลือยกไปพุ่งนี้ครับอาจารย์มีทางนู้นเขาอยากจะถามยกมือเดียวไม่กฟนให้ทงังอยู่ข้างล่างเนี่ยจากัาารกรนคือครังรที่มาคือเป็นวัดีอเดียนมันคา ค, าคามค่ะแคามีฟังมงท่ง า, า, านพอาจารย์เลยคืออยากสนใจมันไปปฏิบัติก็ปบัตได้ที่ท่านก็คือหลว ง, งพยย่อธรมวัดเอียนแล้วก็ พิจารณากายหายังขงมนมนตาโอค่ะแล้วก็บทสางขาอะองนะคะ่ะจากนั้นก็นัสมาธิก่อยอนประมาณซึ้งช่วมงค่ะแต่ว่าตอชา้ า, ช า, าื่นทาวัดพแต่เด็กไม่ทำเลยค่ะสิ่งที่ได้ทำมาประมาณสาเดือนตอนนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองค่ะคะือจังวะาดาใ้พระอาจารย์ทราบว่าปิดใจที่เคยเศร้าหมองก็รู้สึกลใจขึ้นนะคะ แต่ ว, ว่ามัเขลืนไหไม่ได้เท่าไหร่นะคะได้ลนวมาณชั่วโมงก็รู้สึกปวดขาแล้วก็เปลี่ยนท่าแล้วะ ค, ะค่ะก็เลยตอันนี้จะกลับไปแล้วจะมันกังฟูอาจเอาไปปฏิบัติดีนะคะแล้วแต่และ ว, วันถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าไปในโเรลนะคะไปดูภาพอาคิพะที่เขาแยกตแล้วก็แยกเอาไว้วะออกเป็นตักรนะคะ ตอนดตอนแรกนั้นก็กรู้สึอิจาไม่น้นค่ะเราดูตอนดูต่อไปดกับทิวันนะคะดูแล้วก็บอกว่านร่างกายเราก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ต่างจักเ้า น, นะคะก็ดีไปก็รู้สึกิจก็ต้องขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็พี่เจรารูดจดเองก็คือเสื้อผ้าอะไที่มันไม่ได้ใช้ะ ค, ะค่ะก็เอาก็ให้คนอืไปแล้วก็เก็บไว้ใช้พอสมควรนะคะ ผมที่เคยว่ายาวก็ตัดก้าน ม, มาค่ะก็ไม่อยากมาเสียเวลาดูแลเรื่องความสวงามเล ย, ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติไปเรื่อยแบบนี้จะเดินตามวักหลวงิการตามสาข า, าไปเลยก็ค่ะก็เรียนมาให้เรียนมาคล้ายๆในเท่านี้แล้วก็จะกลับบ้านเพื่อจะทําไปทำต่อค่ะจะถามทันว่าทำอย่างนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกแล้ว ก็ขออนุโมทนาและขอให้ทำเพิ่มมากขึ้นพยายามทำให้ได้มากขึ้นศีลรักษาให้ได้มากขึ้นสมาธิสติจเจริญให้มากขึ้นสตินี่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดถ้ามีสมติแล้วจะนั่งสมาธิได้นานแล้วก็จะก้าวครอบสู่ขั้นปัญญาได้แต่ว่าเราต้องทำให้มากทำให้ต่อเนื่องคืออย่าทาแบบ หยุดหยุดยอนยอนทำหยุดทำแล้วหยุดหยุดแล้วทำทำให้มันเป็นกิจวัตรเป็นประจำยกเว้นกรณีที่สุดวิสัยที่มีภารกิจอย่างอื่นที่ยังต้องทำอยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ควรจะทำควรจะตัดเรื่องราวต่างๆที่เอาเวลาของการภาวนาไปเช่นการหาดูมลหสมหบันเทิงต่างๆ ตัดมันไปพยายามถือสินแปให้ได้ทุกวันได้ยิ่งดี <8 S 1> เออเอขั้นต่อไปต้องพยายามฝึกรักษาสินแปให้ได้เพื่อจะได้เพิ่มเวลาของการปฏิบัติได้ เ, เราจะต้องตัดโมหลลสบบันเทิงต่างๆเรื่องงานสังสารงานสังคมอะไรต่างๆเพราะมันกินเวลาการปฏิบัติของเราไปอาจารย์คะคือหนูได้ตั้ง้หมานี้คะว่าท็กีหนูจะา ก็จะมีกา ง, งางก็ตั้งใจว่าจะออกม า, มาปฏิบัติให้เป็นเคร่งข้อ่ที่ทาได้อยู่งเน่นคิดอย่างนี้ก็ดีแต่ถ้าคิดว่ามันอาจจะไม่เราอาจจะตายก่อนหกปีก็ได้เราจะทำ ย, ยังไงเรือว่ายังเงินยังไม่พอเลยก็แล้วแต่ถ้าถ้าคิดว่าเอาเอาปีนี้เลยได้ก็ยิ่งดี แต่ไม่ได้ก็หกปีก็หกปีก็ยังดีว่ายังมีเป้าหมายดีกว่าคนบางคนไม่มีเป้าไม่มีหมายอะไรเลย <c oughs> อขออนุโมทนานะ <c oughs> มาถูกทางแล้วเพียง <c oughs> แต่ขอให้ทำให้มันเข้มข้นขึ้นไปนะ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วนะเวลาพอสมควรนะ <c oughs> ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ